รรมบทแปลเรื่องของพระองค์ภาคที่7เรื่องที่232พระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะกรุงโกสัมพีทรงปรารมพระองค์เองรัตพระธรรมเทศนานิว่าอาหังนาโควะสังคามีเป็นต้นตอนพระศาสดา ูพวกมิจฉาทิฏฐิด่าข้าพเจ้ากล่าวเรื่องไว้โดยพิสดารในอัตตาาถาแห่งพระคาถาแรกในอัปปมาทวักนั้นแล้วจึงอยู่ในที่นั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้ดังนี้ว่าพระนางมาคันธิยาไม่อาจทำอะไรแก่หญิงห้าร้อคนมีพระนางสามาวดีเป็นหัวหน้านั้นได้ จึงทรงดำรีว่าเราจะทำสิ่งที่ควรทำแก่พระสมณโคดมให้ได้เดือนนี้แล้วจึงให้สินจ้างแก่ชาวเมืองหลายคนสั่งว่าท่านทั้งหลายพร้อมกับท่านและกรรมกรจงด่าจงบริภาธพระสมณโคดมผู้เสด็จมาในเมืองให้หนีไปเสียหนังนี้พวกนอกศาสนา ผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยได้ตามดาตามบริภาพระศาสดาผู้เสด็จเข้าไปในเมืองด้วยอกโกสวัตถุสิบอย่างว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพานเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นโคเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์เดรฉานสุขติไม่มีสำหรับเจ้าทุคติเท่านั้น อันเจ้าพึงหวังได้ตอนพระอนนทูนให้เสด็จไปเมืองอื่นก็ไม่เสด็จท่านพระอนนฟังคำด่านั้นแล้วได้กราบทูลคำนี้กับพระาศาสดาว่าขคะแต่พระองค์ผู้เจริญชาวเมืองเหล่านี้พากันดา่าพากันบริภาพพวกเราพวกเราหนีจากเมืองนี้ไปอยู่เมืองอื่นเถิดพระาศาสดา ไปไหนล่ะอนนลไปเมืองอื่นพระเจ้าข้ก็เมื่อคนในเมืองนั้นด่าบริภาทอีกจะไปที่ไหนอีกอนนลก็ไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าข้าก็ถ้าเมื่อคนในเมืองนั้นด่าบริภาทอยู่อีกจะไปที่ไหนอีกเล่าอนนลก็ไปเมืองอื่นต่อไปพระเจ้าข้าอนุลการทำอย่างนั้นไม่ควรเรื่องเกิดที่ใด เมื่อเรื่องในที่นั้นสงบก่อนจึงควรไปที่อื่นอานุนพวกไหนเล่าดา่าทุกคนตั้งแต่ทาตและกรมะรมกรพาคันดาพระชกา้าตอนพระศาสดาอดกลั้นกำล่วงเกินได้พระศาสดาตรัสว่าอานุนเราเป็นเช่นกับช้างที่เข้าสู่สงคราม การอดทนต่อลูกสรที่เล่นมาจากสี่ทิศเป็นภาระของช้างที่เข้าสู่สงครามชนใดการอดทนต่อถ้อยคำที่คนทุสีลจำนวนมากมาดาก็เป็นภาระของเราชนนั้นเหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงธรรมปราลบเรองห์เองจึงได้ตรัสประคถาในนาควักว่า เราจะอดกลั้นคำล่วงเกินเหมือนช้างในสงกรามอดทนต่อลูกสอนที่ออกจากแรลงฉะนั้นเพราะคนส่วนมากเป็นผู้ทุศีลชนทั้งหลายย่อมนำสัตว์พานะที่ฝึกหันแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมทรงสัตว์พานะที่ฝึกแล้วในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนได้แล้วอดขั้นคำล่วงเกินได้เป็นผู้ประเสริฐสุดม้าสะดอนหนึ่งม้าอาชาในาหนึ่งม้าสินทบหนึ่งช้างใหญ่ชนิดกุญชรหนึ่งที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่คนที่ฝึกตนได้แล้วย่อมประเสริฐกว่าสัตว์พานะเหล่านั้นบาลีว่าอาหังนาโควะ สังฆามีชาปาโตปะติตังสรังอติวากยันติติกิสังทัสสีโลหิพหุชนโหนทันตังนยันติสมิติงทันตังราชาพิรุหติทันโตเสโถมนุษยสุโยติวากยันติติกาติ วรมัสตราทันตาอาชานียาจะสินทวากุญชะราจะมหานาคาอัตตะทันโตตะโตวังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านาโวะเหมือนช้างคำว่าจาปาโตปาติตังแปลว่าที่ออกจากแหล่งหมายความว่า หลุดออกไปจากธนูคำว่าอติวากะยังแปลว่าซึ่งคำล่วงเกินที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งอนัริยะโหารแปดอย่างคือข้อที่พระอริยะไม่พูดคือหนึ่งกล่าวสิ่งที่ไม่เห็นว่าเห็น 2. กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ยินว่าได้ยิน 3. กล่าวสิ่งที่ไม่รู้ว่ารู้ 4. กล่าวสิ่งที่ไม่ทราบชัดว่าทราบชัด 5. กล่าวสิ่งที่เห็นว่าไม่เห็น 6. กล่าวสิ่งที่ได้ยินว่าไม่ได้ยินเ็กล่าวสิ่งที่รู้ว่าไม่รู้และ 8. กล่าวสิ่งที่ทราบชัดว่าไม่ทราบชัดก็คลาวมาติติกิสังแปลว่าจากอดกลั่น หมายความว่าช้างใหญ่ที่เขาฝึกหัดดีแล้วเข้าสู่สงครามเป็นสัตว์อดทนไม่พรันบรึงต่อลูกสอนที่หลุดจากแรงมาถูกตัวอดกลั้นต่อการฟาดฟันด้วยหอกเป็นต้นได้ฉันใดเราก็จะอดทนคืออดกลั้นต่อคำล่วงเกินดังกล่าวฉชนนั้นเหมือนกันคำว่า สีโลหิแปลว่าเป็นผู้ทุศีนหมายความว่าเพราะโลกิยามหาชนนี้ส่วนมากเป็นผู้ทุศีลเที่ยวพูดคําเสียดสีตามชอบใจของตนการอดกลั้นคือการบางเฉยในถ้อยคํานั้นเป็นภาระของเราคําว่าสมิติงแปลว่าสู่ที่ประชุมหมายความว่า ก็ชนทั้งหลายเมื่อจะไปสู่ท่ามกลางมหาชนในสวนอุทยานและสนามกีฬาเป็นต้นย่อมใช้เฉพาะโคหรือมา้าที่ฝึกแล้วเท่านั้นเทียมยานขับไปคำว่าราชาแปลว่าพระราชาหมายความว่าแม้พระราชาเมื่อจะเสด็จไปยังสถานที่ดังกล่าว ย่อมส่งราชบานะเฉพาะที่ฝึกแล้วเท่านั้นคำว่ามนุษย์เสสุหมายความว่าแม้ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกแล้วด้วยอริยมรรคสีจนสิ้นประโยชน์แล้วนั่นแลเป็นผู้ประเสริฐคำว่าโยติวากยังแปลว่าผู้ที่อดกลั้นคำล่วงเกินได้หมายความว่า บุคคลใดย่อมอดกลั้นคือย่อมไม่โตตอบไม่พรันบรึงถึงคำล่วงเกินเช่นนั้นแม้อันเขากล่าวซ้ำรากอยู่บุคคลผู้ฝึกแล้วเช่นนั้นเป็นผู้ประเสริฐม้าที่เกิดจากแม่มากับพ่อลาชื่อว่าม้าอั ส, สดรม้าที่สามารถรู้สิ่งที่นสารถีผู้ฝึกม้า สั่งให้ทำการได้อย่างรวดเร็วเรียกว่ามาอาชาในมาที่เกิดในแคว้นสินทุเรียกว่ามาสินทพช้างใหญ่ที่เรียกว่ากุญชรชื่อว่าช้างใหญ่คำว่าอัตตะทันโตแปลว่าคนที่ฝึกได้แล้วเป็นต้นหมายความว่ามาสะดอนก็ดีมาสินทพก็ดี ช้างกุญชกรก็ดีเฉพาะที่ได้รับการฝึกเป็นสัตว์ประเสริฐที่คนไม่ได้รับการฝึกหาประเสริฐใหม่แต่บุคคลใดชื่อว่ามีตนฝึกแล้วคือสิ้นประโยชน์แล้วเพราะฝึกตนด้วยอริยมรรสีบุคคลนี้ย่อมประเสริฐกว่ามาอัสดรเป็นต้นเหล่านั้น คือย่อมเป็นผู้ยิ่งกว่ามาสดอรเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดในเวลาจบเทศนามหาชนแม้ทั้งหมดนั้นผู้รับสินจ้างมายืนดาตามถนนและทางสามแยกเป็นต้นได้บรรลุโซดาปฏิบัติผลแล้วแหละเรื่องของพระองค์